เพื่อเข้าหาแสงสว่างนำทางพาชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญเพราะตอนนี้ใหญ่ของพวกเราถูกเมฆของความหลงความโลภความโกรธครอบงำจิตใจจึงทำให้เราไม่เห็นทางที่จะพาเรา ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับตอนที่เราขับรถในในยามค่มคืนแล้วไม่มีแสงไฟสองทางเราก็จะไม่เห็นทางเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เกิดขับรถแหวกโค้งตกเหวไปได้เพราะไม่มีแสงสว่าง ใจของพวกเราตอนนี้เหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรเราจึงต้องมาอาศัยคนตาดีคือพระพุทธเจ้าที่เห็นอะไรต่างๆถ้าเราเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนเราก็จะได้แสงสว่างนำทาง ชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือการเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาแสงสว่างเข้าหาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับตัวเราคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เหนือคำสอนทั้งหลายในโลกนี้ ต่อให้เราศึกษาวิชาความรู้ทางโลกให้ถึงระดับปริญญาเีกก็ตามแต่ความรู้ทางโลกระดับปริญญาเองนี้ไม่สามารถที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คนที่จบปริญญาตรีโทเองก็ยังต้องมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ แต่คนที่สาเร็จวิชาของพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขา ต่อให้เรามีตำแหน่งสูงเป็นมาหาจากักรพรรดิตำแหน่งเหล่านี้เงินทองเหล่านี้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้มีแต่คําสอนของพ่อพระเจ้าเท่านั้นและการปฏิบัติตามคําสอนที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นขอให้เรามาศึกษา คำสอนที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเถิดคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันนี้ก็มีอยู่เจ็ดหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. งให้รู้เหตุ 2. ให้รู้ผล 3. ให้รู้ตน 4. ให้รู้บุคคล 5. ให้รู้สังคม หกให้รู้การละเทศะและ 7. ให้รู้จากประมาณรู้ประมาณถ้าเรารู้สิ่งทั้ง7ประการนี้และสามารถปฏิบัติตามได้เราจะไม่มีความทุกข์เลยดังนั้นขอให้เรามาศึกษาการว่าความรู้ทั้ง7ประการนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง ความรู้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวพันกันคือเหตุและผลเรามักจะไม่ค่อยได้รู้ว่าผลต่างๆที่เราอยากได้นะั้นเกิดจากเหตุอย่างไรเรามักจะไปหาเหตุที่ไม่ได้ทำให้เกิดผลที่เราอยากได้กันเพราะเราไม่รู้เหตุและไม่รู้ผลนั่นเอง ถ้าเรารู้เหตุแลนะรู้ว่าผลที่ตามมาจากเหตุจะเป็นอย่างไรเราก็จะได้กระทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการกันมีอะไรที่พวกเราต้องการกันก็มีความสุขความเจริญมีความหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความเจริญ ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องศึกษาดูว่าเหตุที่จะทำให้ผลที่เราปรารถนานี้เกิดขึ้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเหตุ <c oughs> ที่จะทำให้เกิดผลดีหรือผลไม่ดี <c oughs> เกิดความสุขหรือความทุกข์ <c oughs> นั้นอยู่ที่การกระทาของเราคือการกระทําทางกายทางวาจา และทางใจนี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดผลตามมาคือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้อยู่ในขณะนี้ แต่เกิดจากการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นถ้าเรารู้จักการกระทาที่ทำให้ใจของเรามีความสุขเราก็จะได้ความสุขความสุขเหตุที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แบบง่ายๆว่า คือให้คิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองอการคิดดีพูดดีทำดีนี้คิดอย่างไรถึงคิดดีทำอย่างไรถึงเรียกว่าทำดีพูดอย่างไรถึงเรียกว่าพูดดี <c oughs> ก็คิดในคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลง อ, อันนี้เป็นความคิดที่ดีเพราะถ้าเราคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้ว เราก็จะพูดดีทำดีได้ถ้าเราคิดโลภคิดโกธคิดหลงเราก็จะพูดดีไม่ได้ทำดีไม่ได้เช่นเวลาเราอยากได้อะไรมากๆเราก็อาจจะพูดไม่ดีคือเราอาจจะพูดปดได้โกหกได้เพื่อที่ให้เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วการกระทําของเราก็ จะทำตามที่เราอยากได้อยากคิดตามที่เราพูดเมื่อเราโกหกแล้วถ้ายังไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปลักทรัพท์ไปช่อโกงเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาเช่นเดียวกันเวลาที่เราเกิดความโกรธเราก็จะพูดไม่ดีวาจาของเราจะไม่สุภาพ เราจะพูดคำหยาบต่างๆออกมาแล้วเราก็อาจจะต้องไปทาร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายทรัพย์สินเข้าของต่างๆสังเกตดูเวลาที่เราโกรธเราจะรู้สึกอยากจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอยากจะทำลายสิ่งต่างๆแต่การกระทําเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลดีกับใจของเรา ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเพราะจะทำให้เกิดโทษกับคืนมาเราอาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเราจะกลายเป็นคนที่น่าบังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราอาจจะถูกจับไปขังอยู่ในคุกในตารางเพื่อป้องกันไม่ให้เรา ไปทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือเรื่องของการกระทําของเราที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพยายามดูแลให้อย่างดีโดยทรงสอนให้เราพยายามทำสามอย่างด้วยกันคือทําบุญทําความดีอยู่เรื่อยๆทําบุญก็คือทําประโยชน์ทําความสุข ให้แก่ผู้อื่นบ้างอย่าคิดเอาแต่ประโยชน์สุขใส่ตัวเราเพียงอย่างเดียวเพราะว่าทำเท่าไหร่มันก็จะไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นมันจะสร้างความอิ่มใจให้กับเราสร้างความพอใจให้กับเราจะทำให้เราลดความโลภได้ เมื่อเราลดความโลภได้ความโกรธก็จะน้อยลงไปเพราะความโลภนี้เกิดจากความความโกรธนี้เกิดจากความโลภเพราะอะไรเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธเช่นเราขอสตางพ่อแม่เพื่อที่จะไปซื้อของเล่นซื้อขนมพ่อแม่บอกว่าไม่มีไม่ให้ เราก็จะโกรธพ่อแม่อันนี้ถ้าเราไม่ได้โลภอยากได้เงินไปซื้อของต่างๆเราก็จะไม่โกรธพ่อโกรธแม่นี่คือต้นเหตุของความโกรธอยู่ที่ความโลภต้นเหตุของความโลภก็อยู่ที่ความหลงก็คือไม่รู้ว่าเราไม่ควรโลภเพราะความโลภจะพาให้เราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดี ทำไม่ดีแล้วก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมานี่เราไม่รู้ความหลงนี้คือความไม่รู้เราจึงต้องมาหาพระพุทธศาสนามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้แก้ความหลงแก้ความหลงได้เราก็จะไม่โลภเมื่อเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่โลภไม่โกรธ เราก็ไม่ทำบาปเราก็จะทำแต่บุญทำแต่ความดีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำสามอย่างด้วยกันเหตุสามประการที่จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก็คือทำบุญทำความดีสองละบาปละการกระทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและชําละใจ ให้สะอาดก็คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วความหลงก็จะหายไปพอความหลงหายไปก็จะรู้ว่าไม่ควรจะทำไม่ควรจะโลภไม่ควรอยากจะได้อะไรเพราะในที่สุดตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใจไม่ได้ให้ใจมีความสุขมากขึ้นจากความโลภจากการได้สิ่งต่างๆมาแต่กลับจะทำให้ใจมีความทุกข์มากขึ้นมีความโกรธมากขึ้นเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้นี่คือการแก้ความหลงต้องเข้าหาแสงสว่าง เข้าหาคำสอนของผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ลดละความโลภให้น้อยลงไปพอความโลภน้อยลงไปความโกรธก็จะน้อยลงไปการกระทาของเราก็จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้คือทำบุญได้ละบาปได้เมื่อเราทำบุญได้ละบาปได้ชำระใจได้ ผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับนี่คือผลของการทำบุญละบาปของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพราาะอรหันตสาวกทั้งหลายนะการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพราาะอรหนันตสาวกนี้ไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้ ง, ง, งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือเหตุของที่เราสร้างกันขึ้นมานี่เองเหตุนี่แหละคือการกระทำของเรานี่แหละที่จะทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเกิดพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเกิดพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆขึ้นมาเกิดเท้ามหาพรหมขึ้นมาเกิดเทวดาขั้นต่างๆขึ้นมา เกิดจากเหตุคือการกระทำของพวกเรานี้เองณนะในทางตรงข้าม ต, ตรงทางกันข้ามถ้าเราไม่ทําตามเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําแทนที่จะทําบุญเราก็ไม่ทําแทนที่จะละบาปเราก็ไม่ละกับทําบาปเพิ่มมากขึ้นแทนที่เราจะลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเราก็ไม่ลดเรากลับเพิ่มมันมากขึ้น ถ้าเราทำตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าทรงสั่งสอนผลที่ไม่ดีก็จะตามมาความทุกข์ต่างๆก็จะตามมาความวุ่นวายใจต่างๆก็จะตามมาไม่เชื่อลองไปทำดูลองไปทำบาปดูแล้วดูสิว่าจะสบายใจหรือรทุกข์ใจลองไปทำผิดกฎหมายดูดูสิว่าจะติดคุกติดตารางหรือไม่ นี่คือเหตุและผลที่เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่เราจะได้ทำเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญและละเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ <c oughs> เกิดความวุ่นวายใจตามมานี่คือการรู้เหตุและรู้ผลสองข้อแรก ข้อที่สามก็คือการรู้ตนรู้ตนก็คือให้รู้จากสถานภาพของตัวเราว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพใดเราเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนโสดหรือเป็นคนมีครอบครัวมีสามีมีคู่ครองมีภรรยารเป็นคารวะหรือเป็นนักบวช เป็นคนฐานะระดับไหนเป็นคนมีการศึกษาสูงหรือต่ำมีตำแหน่งสูงหรือต่ำฐานะต่างๆเหล่านี้มีความรับผิดชอบตามมาคือมีหน้าที่ตามมาถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตามฐานะของเราเราก็อาจจะสร้างปัญหา ให้กับตัวเราได้เช่นเราเป็นลูกเราไม่เชื่อฟังไม่เคารพพ่อแม่ไม่มีความกระตันยูกระตะเวตีต่อพ่อแม่เราก็จะรับผลที่ไม่ดีกับเราได้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณาต่อลูกๆไม่รับภาระดิ้นดูลูกให้ลูกได้ จเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพผลเสียหายก็จะเกิดกับเราได้นะทุกคนมีฐานะมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันทุกคนต้องศึกษาว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในฐานะไหนเช่นถ้าเป็นลูกเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่ของการที่จะต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ ไปที่โรงเรียนก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ผู้ให้สิ่งต่างๆที่ดีกับเราเราต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าเราทําตามหน้าที่ของเราเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมเสียต่างมาถ้าเราเป็นคลาวาสเราก็อยู่ทําหน้าที่ของคลาวาสเช่นทำมาหากิจด้วยสัมมาชีตถ้าเราเป็นนักบวชเราก็ทําหน้าที่ของนักบวชแต่ละคนนี้มีหน้าที่ไม่เหมือนกันถ้าทําไม่ถูกหน้าที่ของตนก็จะเกิดความเสียหายได้ เช่นถ้าเป็นนักบวชแล้วไปทำหน้าที่ของคาราวะาไปมีคู่ครองไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อย่างนี้ถ้าเป็นคาราวะาทำก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรแต่พอมาเป็นนักบวชแล้วมาทำอย่างนี้ก็เกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ได้นี่คือตัวอย่างของการที่เราจะต้องรู้จักตน คือรู้จักฐานะของเรารู้สถานภาพของเราว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพใดแล้วมีหน้าที่อะไรต่อสถานภาพ น, นั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ไม่มีเรื่องมีลาวตามมาไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมานี่คือเรื่องของการรู้ตนข้อที่สี่ก็ให้รู้บุคคล การรู้บุคลคลก็ให้รู้คนอื่นว่าเขาเป็นใครนั่นเองนอกจากรู้ตัวเราแล้วเราก็ต้องรู้คนอื่นคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นเราเกิดมาปั๊บสิคนที่แรกที่เราจะรู้จักก็คือพ่อแม่ของเราเราก็ต้องรู้ว่าพ่อแม่เขานี้เป็นใครเขาทำไมถึงเป็นพ่อแม่ของเราแล้วทำไมเราจต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ กเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราเป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นผู้มีพระคุณมากสําหรับเราและเป็นผู้ที่มีความหวังดีกับเรายิ่งกว่าใครในโลกนี้ไม่มีใครในโลกนี้จะมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อเรายิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่แม้แต่ตัวเราเองนี้ยังไม่มีความปรารถนาดีเท่ากับพ่อกับแม่เลย เพราะเราบางทีก็ยังทำลายตัวเราเองได้ด้วยความหลงด้วยความโลกด้วยความโกรธแต่พ่อแม่นี้จะมีแต่ความปรารถนาดีมีความอยากจะให้ลูกนั้นได้เจริญโตโตอย่างมีคุณภาพให้ลูกมีแต่ความสุขมีความเจริญไม่อยากให้ลูกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนนี่คือ พ่อแม่ของเราเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าบุคคลสองคนนี้มีความปรารถนาดีมีบุญมีคุณกับเราอย่างมหาศาล <c oughs> เราก็ต้องทำหน้าที่ของลูกที่ดี <c oughs> ก็คือต้องมีความกตัญญูกตเวทีมีความเคารพมีความเชื่อฟังในคําสั่งคําสอนของพ่อแม่ <c oughs> เวลาพ่อแม่สั่งสอนอะไร ก็น้อมนำเอามาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเป็นคําสอนที่ไม่ถูกก็เราก็ไม่ผิดไม่ปฏิบัติตามได้ไม่เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปสอนพ่อสองแม่เช่นพ่อแม่บางคนอาจจะยังมีความหลงมีความคิดที่ไม่ดีอยู่ก็อาจจะสอนให้ลูก ทำไม่ดีได้เี่อาจจะสอนให้ลูกโกหกสอนให้ลูกขี้โกงอย่างนี้ถ้าลูกมีปัญญามีความรู้ว่าเป็นการสอนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้ไม่เสียหายอะไรไม่เป็นการไม่มีความกระตันยู่แต่ไม่มีหน้าที่ของเราที่จะไปโต้ตอบพ่อแม่ พ่อแม่บอกให้โกหกเราก็ฟังแล้วก็เฉยเฉยไปบอกให้รักขโมยฟังแล้วก็เฉยเฉยไปบอกให้ดื่มสุรายาวเมาฟังแล้วก็เฉยเฉยไปแต่ไม่ต้องทำตามไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปสอนพ่อสอนแม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราพ่อแม่เขาเกิดมาก่อนเราเขารู้อะไรมากกว่าเรา ถ้าเขาอยากเขาไม่รู้แล้วเราอยากจะให้รู้เราก็สอนเขาทางอ้อมได้เอาหนังสือทำมากไปไว้ที่บ้านเอาแผ่นซีดีไปไว้ที่บ้านหรือวันไหนมีโอกาสก็ชวนเขามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมแต่อย่าไปบอกเขาว่ามาเพื่อฟังเทศฟังธรรมชวนเข้ามาเป็นอุบายเช่วนวันนี้วันเกิดของเราอยากให้พ่อให้แม่มาร่วมทําบุญด้วย แต่อย่าไปพูดว่าพ่อแม่มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมนะพ่อแม่จะได้ฉลาดจะได้ไม่ง่ถ้าพูดอย่างี้เดี๋ยวเขาก็จะไม่อยากจะมาแต่ถ้าบอกว่ามาเพื่อมาทำบุญเนื่องในวันเกิดของลูกพ่อแม่ก็อยากจะมาอันนี้คือวิธีเดียวที่เราจะสอนพ่อแม่หรือให้พ่อแม่ที่โง่เขลาเบาปัญญา ได้มีความรู้ได้มีความฉลาดได้หรือถ้าเราโตแล้วเรามาบวชก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะดึงพ่อแม่ให้เข้าวัดได้เวลาเรามาบวชพ่อแม่ก็ต้องห่วงก็จะต้องมาวัดมาหาเรามาทาบุญพอมาวัดมาหาเรามาทาบุญก็จะมาได้ยินได้ฟังธรรมะ แล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็จะหูตาสว่างขึ้นก็จะเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะพยายามปฏิบัติตามมีพ่อแม่หลายคนด้วยกันที่มีลูกมาบวชที่วัดเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าวัดเลยแต่พอลูกมาบวชก็ต้องมาเยี่ยมลูกมาทำบุญมาใส่บาตรมาถวายข้าวของแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรม หลังจากที่ลูกศึกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังมาวัดอยู่มาอย่างต่อเนื่องเพราะได้รับคุณประโยชน์จากการฟังเทศความธรรมเพราะทําให้เขาได้ประพฤติตนเองในทางที่ดีขึ้นทําให้เขามีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นอันนี้คือวิธีที่เราจะสอนพ่อแม่ได้ช่วยพ่อแม่ได้ก็คือเราต้องเข้าวัดแล้ว หนึ่งพ่อแม่เข้ามาพอเราเข้าวัดแล้วพ่อแม่จะตามเราเข้ามาเองเพราะเขามีความรักมีความผูกพันกับเราไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนพ่อแม่จะตามเราไปไปติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางกับเราเพราะความรักความห่วงใยถ้าเราไม่อยากจะให้พ่อแม่ต้องไปติดคุกติดตารางไปหาเราที่คุกที่ตารางเราก็อย่าไปทำบาป อย่าไปทําผิดกฎหมายอย่าไปทําสิ่งที่จะทําให้เราต้องไปติดคุกติดตารางนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยพ่อแม่สอนพ่อแม่ได้แต่เราไม่ควรที่จะสอนด้วยปากของเราเองไม่ใช่ฐานะของเรานี่คือการรู้จักบุคคลบุคคลที่มีความมีคุณมีบุญมีคุณ เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณบุคคลอื่นๆก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเขามีความสัมพันธ์กับเราต่างกันบางคนก็มีความสัมพันธ์สูงกว่าเราบางคนก็มีความสัมพันธ์เท่ากับเราบางคนก็มีความสัมพันธ์ต่ำกว่าเราเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับบุคคลต่างๆให้เหมาะสมกับฐานะของเขาแล้วก็จะได้ไม่มี เรื่องไม่มีปัญหาตามมานี่คือเรื่อ ง, องการรู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมรู้สังคมก็ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่ด้วยว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเช่นของสังคมของ คนไทยเราเวลาเราเจอกันเราก็จะยกมือว่าเวลาเราลาเราก็จะยกมือว่าสังคมของฝรั่งเขาเจอกันเขาก็จะจับมา้าจับมือกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจถึงประเพณีของเขาแล้วไปปฏิบัติให้มันถูกตามประเพณีของเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาสิ่งใดที่เขาไม่ทำเราก็อยากไปทำ สิ่งใดที่เขาทำเราก็ทำตามเขาเมื่อเราทำตามถูกตั้งตามประเพณีเขาเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจสำหรับเขาเขาก็จะยินดีต้อนรับเรานี่คือการรู้จักสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือสังคมเล็กมีทนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ในครอบครัวก็มีขนม ร, รมเนียมประเพณีในโรงเรียนก็มีขนบรรมเนียมประเพณีที่ทำงานก็มีขนบรรมเนียมประเพณีที่วัดก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติต่างกันไปเวลาเราไปอยู่ในสังคมใดเราก็ควรที่จะศึกษาสังคมนั้นเช่นเวลาเรามาวัดเราก็ต้องควรศึกษาดูว่าเขาทาอะไรกันบ้างทาอย่างไร เวลาใดควรทำอะไรเวลาใดไม่ควรทำอะไรจนเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ควรจะทำอย่างไรก็ควรที่จะสงบกายวาจาใจคือจะต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรให้ตั้งใจฟังถ้าเราสงบกายสงบวาจาสงบใจธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเจ้ก็จะไหลเข้าสู่ใจของเรา ถ้าเราไม่สงบกายวาจาใจธรรมะที่เราได้ยินจะไม่เข้าไปในใจจะเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปแล้วถ้าเราไปทำอะไรส่งเสียงดังก็จะไปรบกวนชาวบ้านไปทำให้คนอื่นเขารำคาญจะทำให้คนอื่นเขารู้ว่าคนนี้โง่เขาเบาปัญญาไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักสังคม ไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคมว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้คือเรื่องตัวอย่างของการที่เราต้องศึกษาเรื่องสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่ด้วยข้อที่7ข้อที่6ก็คือการรู้จักกาละเทศอันนี้ก็คล้ายๆกับการรู้จักสังคม คือกาลเทศะคือเราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราไปเวลาที่เราไปนั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่เช่นเราไปงานศพนี้เขากำลังโศกเศร้าเสียใจเราควรจะแต่งกายอย่างไรเราควรจะทำตนอย่างไรจะไปเปิดเพลงร้องรำทำเพลงไปหัวเราะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกจะไปเสือใส่เสื้อผ้า ที่สีสดใสยอย่างนี้เขาก็ไม่ทำกันเมื่อไปงานศพเราก็ต้องรู้จาักการแต่งกายรู้จักการกระทำคือตั้งตั้งอยู่ในความสงบไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปงานแต่งงานงานแต่งงานนี่ก็อีกเรื่องหอนึ่งไปงานแต่งงานถ้าไปแต่งชุดดำไปเขาก็จะหาว่าเราบ่ายเหมือนกัน เราก็ต้องรู้จั ก, การาลเทศรู้การสถานที่ที่เราไปว่าเขามีการกระทำอย่างไรมีกฎระเบียบอย่างไรที่เราควรจะปฏิบัติตามรู้จักเวลาว่าขณะนั้นเวลานั้นเวลานี้เขาทำอะไรกันอยู่เช่นตอนนี้ฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เวลาที่จะเอาอาหารของข่าวของหวานมาถวาย ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาจุดทูกเทียนมากราพอันนี้เป็นคนละเวลากันเราต้องรู้จักเวลาของแต่ละเวลาว่าเป็นเวลาที่เราต้องทำอะไรกันอันนี้คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะและข้อที่เจก็คือการรู้จักประมาณก็คือให้รู้ความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เช่นการบอริโภคปัจใจสีเป็นต้นการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเป็นโทษทั้งสองอย่างมากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้น้อยเกินไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดียวกันเหมือนกับการใส่รองเท้าขนาดของรองเท้าก็ต้องพอดี ถ้าหลวมเกินไปใส่ก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่สบายถ้าคับเกินไปใส่ก็ไม่สบายเช่นเดียวกันต้องให้มีความพอดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้จักความพอดีโดยเฉพาะในการบริโภคปัจจัยสี่ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพเพื่อที่ให้เราจะได้รักษาร่างกายชีวิตของเรา ให้อยู่อย่างปกติสุขและให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายมากจนเกินไปถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราอาจจะวุ่นวายพยายามหาปัจจัยสีที่มากเกินความจำเป็นไปได้เช่นอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงๆอาหารที่ไหไหนก็ได้ ที่รับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายอิ่มแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอาหารข้างถนนก็ได้เป็นอาหารในพัตคารมีเครื่องปรับอากาศอาหารในโรงแรมมันก็เป็นอาหารเหมือนกันถ้าเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะไปรับประทานในโรงแรมในพัตการก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันไม่ต้องไปพยายามดิ้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองมา เพื่อที่จะได้ไปรับประทานอาหารในพัตคาหรือในโรงแรมเพราะผลมันได้เท่ากันผลทางร่างกายได้เท่ากันร่างกายได้รับอาหารอยู่ได้ไม่เจ็บ่า้ได้ป่วยร่างกายอิ่มไม่ทุกข์ไม่หิวแสดงว่าพอแล้วใช่ได้แล้วแต่เรื่องของใจนี้เป็นเรื่องของความหลงถ้าอยากจะรับประทานอาหารตามร้านหรูหราตามพธธาัตคาตามโรงแรม อย่างนี้เป็นเรื่องของความหลงเรื่องของความโลภคิดว่าจะมีความสุขมากกว่ารับประทานข้างถนนความจริงความสุขทางร่างกายเท่ากันแต่ความทุกข์ทางใจกลับจะมีมากขึ้นเพราะจะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาได้ซื้ออาหารตามโรงแรงตามพัตคาต่างต่างนีง ดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณในเรื่องของการบริโภคปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยพอมีหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องเป็นข้ารละหารเรือนละสิบล้านร้อยล้านไม่มีเงินซื้อก็เช่าเขาอยู่ไปก็ได้เสื้อผ้าก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องชุดราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะ ของร่างกายเพื่อป้องกัน ร, รักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่เย็นเป็นต้นยารักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ได้รักษาได้เหมือนกันหายเหมือนกันตายเหมือนกันถึงเวลาจะตายรักษาที่ไหนก็ตายเหมือนกันถึงเวลาจะหายรักษาที่ไหนมันก็หายเหมือนกัน ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจมาวุ่นวายใจกับการหาปัจจัยสี่เกินกําลังเกินฐานะของเรานั่นเองนี่คือการรู้จักประมาณถ้าเรารู้จักประมาณแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขความรู้ทั้งเจดประการนี้จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะให้ทำให้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่าง ถึงขอให้เรานำเอาความรู้ทั้งเจ็ประการนี้คือ 1. รู้เหตุสองรู้ผลสรู้ตนสรู้บุคคลหรู้สังคม 6. รลู้กาลเทศะเจรู้ประมาณนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติและรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญเพียงอย่างเดียว